พัทธมเทศนาของหลวงปู่ขาวอนารยวัดท่งกองเพนจังหวัดหนองวัวลำพูเรื่องเก็ตเพ็โลงเลสสาม เป็นผู้มีความยินดีต่อความวิเวกให้ตั้งใจทําความเพียตรตลอดไตรมาสสามเดือนต้นพรรษานี้ให้มันสําเร็จมั่งผลนิพพานคันไม่สําเร็จในเดือนแรกนี่ก็ตั้งอธิษฐานอีกเดือนที่สองให้สําเร็จเดือนที่สองไม่สําเร็จก็เดือนที่สาม ภาวน า, า, าให้สำเร็จนักผลนิพพานพากันตั้งใจพากันสำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกริ้นกายใจไม่ให้มีความยินดียินร้ายต่อรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมารมให้พากันตั้งใจสำรวมระวัง ตั้งใจทำไปละบาปอากุศลสัพพปาปัสสะอาการณังเพียรละบาปทั้งหลายทั้งปวงในสันดานกุศลสูปสัมปทาตั้งใจทำความดีตลอดไตามากสามเดือนให้บริบูรณ์ไม่ให้ขาดตกบกพ่องอันนี้แหละ พระพุทธเจ้าว่าทำกุศลให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทสจิตตปริโยทาปนังเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะฝึกฝนใจของตนสั่งสอนใจของตนอย่าไปดูแลคนอื่นให้ดูแลจิตใจของตนอย่าไปเพ่งโทษคนอื่น ให้เพ่งดูตนคนอื่นเขาดีก็ดีเขาเขาชั่วก็ชั่วเขาจิตใจของเราเป็นอย่างไรมัวแต่เพ่งโทษคนอื่นอยู่มัวดูคนอื่นอยู่มันเป็นบาปเป็นกรรมชื่อว่าเป็นผู้ก่อเวรก่อกรรมใส่ตน ชำระจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ผุดทองไม่ให้เกาะเกี่ยวกับอารมณ์ไม่ให้ท่องเที่ยวไปตามอารมณ์ไม่เพ่งโทษผู้ใดชำระจิตใจของตน